สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิ ต, รตรรรพระเยซูตอนที่สองร้อยสองสองศูนย์สองครับส<ร>ิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่สองครับพระเจ้าในวันนี้ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้สิทธิอำนาจของพระเยซูหนึ่งเราใช้มา ร, าโรามาะโกบทที่สี่ครับวันนี้ใช้มาระโกบทที่ห้าครับ พ, พระเจ้าอยู่ในบทที่ห้าของมาระโกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ยี่สิบนะครับโปรดฟังพระเจ้า มารโกโบทที่หข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ยี่สิบฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังแดนเมืองชาวเกรรซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือมีคนหนึ่งออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาอีกได้แม้จะล่ามด้วยโซ่ตวนก็ไม่อยู่เพราะว่าได้ล่ามโซ่ตวลหลายนแล้วเขาก็หักโซ่และฟาดตวนเสีย ไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่ทําให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอึงอยู่ตามอุมโมงค์ฝังศพและที่ภูเขาทั้งกลางวันกลางคืนเสมอและเอาหินเชื้อเนื้อของตัวทั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมข้าพระองค์ขอให้พระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่า ไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นเถิดแล้วพระองค์ตรัสถามชายนั้นว่าเอ็งชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองเพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากมิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาตาบล น, นั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าในสุกรเหล่านี้เถิดพระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตแล้วผีโสโครกนั้นก็ออกไปเข้าสิงอยู่ในสุกร สุ ก, กรทั้งฝูงประมาณสองพันตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลจำลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุ ก, กรนั่นต่างคนต่างนี้ไปเล่าเรื่องทั้งในนครและบ้านนอกแล้วคนทั้งฟวงก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนที่ผีทั้งกองสิงนั้นหคมผ้านั่งอยู่มีสีอารมณ์ดีเขายึ่งเกรงกลัวยิ่งนะักแล้วคนที่ได้เห็น ก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดแก่คนที่ผีสิงนั้นและซึ่งบังเกิดแก่สุกรให้เขาฟังคนหลายจึงพากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตดแดนเมืองของเขาเมื่อพระองค์เสด็จกําลังเสด็จลงเรือคนที่ผีได้สิงแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไว้พระองค์ไม่ทรงอนุญาตและตัดแก่เขาว่าจงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้านแล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงกระทําแก่เจ้า และได้สงพระเมตตาแก่เจ้าแล้วหลังจากนั้นฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อตัวและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนะักดฉะนั้นครับนี่คือการอัศจรรย์แสดงถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูในการรักษาและขับผีนะครับ ด้านหนึ่งของทะเลแกลลิลีนั้นก็มีเนินเขาต่างๆครับแล้วก็มีถ้าหลายแห่งซึ่งเป็นถ้าหินปูนครับถ้าหินปูนนี้มักจะใช้เป็นอุโมงค์ฝังศพก็คือเขาเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปอยู่ในอยู่ในภูเขานะครับเจาะเข้าไปในหินหินปูนแหละครับแล้วก็เป็นอุโมงค์ใช้ฝังศพมีผู้พบซากประหลัหักพังของหมู่บ้านโบราณแห่งนี้นะครับที่ชายฝั่งตะวันออกของทะเลแกลลิลีถัดลงมาทางใต้นะครับก็คือเมืองกาดารา กาดารานั้นเป็นเมืองหลวงของแถบนั้นครับฉะนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในแถบนี้จึงได้เรียกว่าเป็นชาวกาดารานะครับเมื่อพระเยซู ก, กับเหล่าสาวกมาถึงอีกฟางหนึ่งของทะเลสาบแถบนี้ชายคนหนึ่งครับที่มีผีโสโครกก็ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพผีโสโครกนั้นสิงและควบคุมชีวิตของเขาทําให้เขาอาศัยนะครับแปลกแยกก็คืออาศัยอยู่ในอุโมงค์แห่งหนึ่งนะครับอุโมงค์ฝังศพแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับคนโรคเรือนครับ ถูกขับไล่มิให้อาศัยปะปนอยู่กับคนอื่นชายคนนี้มีผีร้ายสิงอยู่ถึงขนาดที่ว่ามีใครจับตัวเขาไว้ได้ครับล่ามโซ่ก็ล่ามไม่ได้มารโกบันทึกนะครับว่าชายคนนี้ได้หักโซ่และฟาดตัวเสียไม่มีผู้ใดมีกําลังพอที่จะทําให้เขาสงบมัติวก็บันทึกว่ามีคนสองคนที่มีผีสิงอยู่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีหลายคนที่เป็นแบบนี้อาศัยอยู่ในถ้าหรืออุโมงค์เหล่านี้ครับก็พูดง่ายว่าพวกคนที่มีผีสิงนะครับ หรือพวกคนบ้าเหล่านี้นะครับก็มาอยู่ตามอุโมงขวางฉบเหล่านี้นะครับมิแต่รมาโกครับและลูการบันทึกว่าคนนี้ไม่ได้สวมเสือ้อตามเนื้อตัวของเขานั้นมีก้อนหินเพราะว่ามีรอยนะครับมีรอยก้อนหินมาเชื้อดเฉือนตัวเองและส่งเสียงร้องอื้งๆนะครับผีหรือวิญญาณชั่วครับก็คือเป็นลูกน้องของมารสาตานครับและงานของมันก็คืองานควบคุมนะครับ มารซาตานั้นมีภารกิจอยู่สามอย่างก็คือว่ามาลักลักขโมยนะครับแล้วก็ฆ่าครับและทํำลายเชื้อนะครับผีมันใช้สิ่งต่างมาควบคุมมนุษย์ด้วยด้วยครับและวิธีการที่ชาตานในสมัยนี้ทําก็คือว่าใช้สุรายาเสพติดนะครับบางครั้งก็ใช้ความกลัวความทุกโศกนะความขมขื่นต่างๆมาเป็นเครื่องมือควบคุมจิตใจมนุษย์ครับมันเคยกลา ย, กายเป็นปลมด้อยในชีวิตหรือปมที่อยู่ในชีวิตนะครับ คำว่าปมนั้นจับทางภาษาทางจิตวิทยาก็เรียกโอ dipus Complex นะครับคอมเพล็กซ์โอดิปุสคอมเ็ก็คือปมด้อยที่มีอยู่ในตัวเองหรือปมบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนบางคนหรือสังคมนะครับบางสังคมทําให้เกิดปมเหล่านี้ขึ้นมาพี่น้องครับมาร์สาตานก็ใช้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับมาควบคุมชีวิตมนุษย์และถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นเคริสเตียนเป็นผู้เชื่อพยันยันบริสุทด ก็จะเข้ามาควบคุมแทนนะครับเพราะว่าผู้เชื่อนั้นบังเกิดใหม่แล้วและเชิญให้พระเยซูคิตดเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเขาเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดพระเยซุคริดประทับอยู่ในชีวิตของพวกเรานะครับและโปรงก็ประทับอยู่นะครับในพลักษณะก็คือภาพภาคของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับทุกวันนี้ครับเมื่อพบผู้ที่ถูกผีสิงนะครับมักจะเป็นผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับยังไม่บังเกิดใหม่ครับ นะครับผู้ที่เชื่อพระเจ้าและบังเกิดใหม่แล้วผีเข้าสิงไม่ได้เพราะว่าเรามีเจ้าของแล้วคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูขอให้สังเกตนะครับว่าผีที่อยู่ในชายผู้นี้รู้จักพระเยซูครับจริงๆแล้วมีไม่กี่คนครับที่รู้จักพระเยซูนะครับได้ดีนะครับมากเท่ากับผีตนนี้เพราะมันเรียกพระเยซูถูกครับมันเรียกพระเยซูว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเห็นไหมครับผีรู้ครับว่าพระเยซูเป็นใครครับ เปียซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดเมื่อพระเยซูตรัสถามผีตัวนี้ว่าเชื่ออะไรก็ตอบว่าชื่อกองครับกองนี้นะครับคำว่ากองเนี่ยหมายถึงกองทหารโรมันครับกองทหารโรมันหนึ่งกองมีหกพันคนครับพี่น้องหกพันคนด้วยกันคํานี้ยังมีความหมายว่ามีกําลังมากครับหรือการกดกดขี่ขมเหงด้วยนะครับคําว่ากองเนี่ยนะครับมีสามความหมายครับหมายถึงกองทหารโรมัน ความหมายที่2ก็คือกําลังมากความหมายที่สามคือการกดขี่ข่มเหงเพราะฉะนั้นหลายคนจึงเชื่อนะครับว่าชายคนนี้นั้นมีผีสิงอยู่หลายตัวครับหลายตนนะครับเราก็เห็นด้วยครับเพราะว่ามารกโกนั้นใช้สรรพนามภาษากรีกที่เป็นคําพหูพจน์นะครับแสดงว่าผีหลายตัวเข้าสิงในคนคนหนึ่งได้เปเยซูสั่งให้ผีออกจากร่างของชายผู้นั้นนะครับและพวกมันทูลขอพระเยซูที่จะเข้าไปสิงอยู่ในฝูงจุกกรที่กําลังหากินหัวแถว ตามเนินเขาแถบนั้นนะครับหาไม่แล้วทางเลือกอีกทางก็คือว่าอะไรครับดูการบันทึกว่าผีอ่อนวอนพระเยซูอย่าให้ส่งพวกมันไปนรกขุมนะครับวิวรณ์บทที่เก้าครับได้กล่าวว่าตรงนี้ครับหมายถึงช่องบาดาลที่มีควันพุ่งขึ้นมาจากปากนั้นดุจควันที่เตาใหญ่นี่เป็นสถานที่ที่คุมขังผีและมารซาตานครับหากมันไม่ได้สิงอยู่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันจะต้องไปอยู่ที่นั่นพี่น้องครับ พระเยซูทรงอนุ ญ, ญาตให้ผีสิงเข้าไปอยู่ในฝูงสุกรครับมีแต่มารโกเท่านั้นที่กล่าวว่าฝูงสุกรนั้นมีจํานวนเท่าไหร่พี่น้องครับฝูงสุกรมีจํานวนเท่าไหร่ครับมีถึงสองพันตัวครับสองพันตัวนี้ก็กระโจนจากหน้าผาชันลงไปในทะเล ก, กาลิลีและจมน้ําตายพี่น้องคิดนะครับสองหมูสองพันตัวจมน้ําตายนะครับแล้วก็คงจะขึ้นอืดลอยเหม็นนะครับคนเลี้ยงสุกรก็วิ่งเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พี่น้องคงจะเห็นภาพนะครับว่าสุกร 2,000 ตัวจริงๆแล้วตายไปนะครับไม่ค่อยมีผลกระทบกับพวกยูครับทําไมครับถึงไม่มีผลกระทบเพราะว่าพวกยิวไม่กินหมูครับหมูเป็นอาหารต้องห้ามสำหรับพวกยูตามธรรมบัญญัตินะครับแต่ว่าชาวเมืองกาดารานั้นหรือเกดารานั้นเป็นชาวต่างชาติครับเพราะฉะนั้นเขาเลี้ยงหมูนะครับคนยูนี่ถือว่าเป็นหมูไม่สะอาดเป็นสัตว์มลทินและแตะหมูหมูไม่ได้เลยนะครับ เพื่อนพี่บรรยายต่อไปนะครับว่าชาวเมืองนั้นก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเคยถูกผีสิงนั่งอยู่ที่นั่นครับนั่งเรียบร้อยนุ่งห่มเสื้อผ้าแล้วเป็นปกติมีอารมณ์ดีพี่น้องครับการรักษาที่มาจากพระเยซูนั้นเป็นการรักษาที่สมบูรณ์แบบครับนะครับสมบูรณ์แบบนุ่งห่มเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับปกติและมีอารมณ์ดีดูการบันทึกว่า ผู้นี้นั่งอยู่แทะผระบาทของพระเยซูเลยทีเดียวนะครับชาวเมืองทูนขอพระเยซูให้ออกไปจากถิ่นเขาเพราะว่าเขากลัวชายผู้ที่หายจากผีสิงทูลขอที่ติดตามพระเยซูไปด้วยพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าคนที่ไม่ได้ยอมรับพระเยซูพอเห็นฤทธิอานาจของพระเยซูเขากลัวครับแต่ผู้ที่สัมผัสกับฤทธิอานาจนั้นนะครับมีเพียงเฉพาะผู้ที่สัมผัสกับฤทธิอานาจนั้นนะครับจะขอติดตามพระเยซูนั่งอยู่ที่แทะผ้าบาทพระเยซูไม่พอ พระเยซูจะไปไหนเขาจะติดตามพระเยซูไปด้วยเพียงครับในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับชีวิตของเราก็เหมือนกันครับพี่น้องถ้าเราสัมผัสกับฤทธานาตของพระเยซูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเราจะนั่งอยู่กับพระเยซูฟังพระเยซูครับและมีจิตใจที่ศรัทธาพระเยซูครับเรามีจิตใจแห่งการที่จะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตครับและนี่คือท่าทีที่เกิดขึ้นนะครับเรก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่สําคัญครับในการติดตามพระเยซู ก็คือเราจะต้องสัมผัสกับฤทธิ์อำนาจนะครับฤทธิ์อานาจของพระเยซูเรามาดูการครับลูการพระเยซูตัดให้กับชายผู้ที่เคยมีผีสิงอยู่ว่าไงครับจงกลับบ้านเรือนของตัวเองเถอะให้ไปประกาศการใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงกระทํำพี่น้องครับประกาศถึงสิ่งที่พเยซูได้ทรงกระทําเพื่อตัวเองกับนี่เป็นคำพยานที่เป็นธรรมชาติมากครับพี่น้องครับหากว่าเรามีประสบการณ์ในฤทธิเดชเรามีประสบการณ์ในฤทธิฐานุภาพนะครับ เรามีประสบการณ์ในสิทธิ์ที่อำนาจของพระเจ้าแล้วเราจะสามารถประกาศด้วยอัตโนมัติครับก็คือพูดเรื่องจริงที่พระเจ้าทําอะไรกับชีวิตของเราให้กับคนอื่นเห็นไหมครับหลายครั้งนะครับเราไม่มีคําพยานเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูครับหากว่าพี่น้องอยากจะมีประสบการณ์กับพระเยซูพี่น้องต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อก่อนครับเมื่อมีความเชื่อความศรัทธานะครับทุกสิ่งจะเป็นไปได้เมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธา เราก็ใช้ความเชื่อความศรานนะครับเป็นพื้นฐานของการอธิษฐานเรารู้จักพระเจ้าดีมากขึ้นเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูบอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นท่านครับอีกในหนึ่งนะครับก็คือว่าคนคนนี้นะครับได้รับพระบม ร, ระบมราช อ, องการนะครับได้รับพระมหาวัญชาก็คือออกไปประกาศ เล่าถึงสิ่งต่างที่พิเอชูได้ทรงกระทำในตัวของเขาพี่น้องครับทศบุรีครับประกอบด้วยทศแปลว่าสิบครับทศบุรีก็คือสิบเมืองนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้าจอแดนฟาดโจนออกเป็นเมืองกรีกนะครับเป็นเมืองกรีกในแคว้นสิริยาแต่เป็นเอกราชได้ปกครองตัวเองครับกาวอีกหนึ่งก็คือว่าเมืองเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของโรมเหมือนกับพวกยูเดียกาลิลีและสัมเรียแต่เมืองเหล่านี้นั้นต้องเสียภาษีแก่โรม ปครองตัวเองนะครับโดยไม่มีกองทหารโรมันมาตั้งอยู่ที่นั่นพี่น้องครับผมอยากจะสรุปในวันนี้นะครับว่านี่เป็นครั้งแรกในในในในพระคัมภีครับที่บันทึกนะครับว่าผู้เชื่อเป็นพยานในดินแดนต่างชาติเป็นครั้งแรกพี่น้องครับผู้ที่เชื่อพระเยซูเป็นพยานในดินแดนของคนต่างชาติเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็คือพระเยซูทรงอนุ ญ, ญาตให้ชายนี้ เป็นพยานอย่างเสรีในการรักษาโรคข้างงอื่นๆครับเปเยซูตรัด ก, กําชับไม่ให้ผู้ที่เคยเจ็บป่วยแพ่งพรยไปเพราะพระเยซูไม่พร้อมที่จะให้บรรดาผู้นําศาสนาของคนยิวมาจับนะครับและตั้งข้อหาเพื่อที่จะกําจัดและฆ่าพระเยเซูเสียเพราะยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ครับพี่นะครับอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสครับก้มศรีรษะลงและเราอธิษฐานส่วนตัวกับพระเยซู ปรารถนาที่เราจะได้สัมผัสกับสิทธิอํานาจฤทธิดเดชและฤทธานุภาพนะครับจากการที่พระเยซูได้ผมได้เล่าให้ฟังในสองวันที่ผ่านมานั้นพระเยซูได้ทรงห้ามพายุครับพระเยซูมีสิทธิอํานาจเหนือธรรมชาตินะครับและพระเยซูมีสิทธิอํานาจเหนือมันตาตาเหนือผีร้ายเหนือโครคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงเมตตาให้ล้วงไหลายที่จะพบกับประสบการณ์ ในสิทธทิอำนาจสูงสุดขององค์พระเยซูผู้สูงสุดอาเมน